2.17 เมื่อไรเห็นทุกเมื่อนั้นเห็นธรรมวงเล็บเปิดสิพฤศจิกายน2549หวงเล็ปิดลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อแต่ก่อนท่านฟังเหมือนรู้เรื่องนะท่านบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปปิดเครื่องหมายคำพูดท่านบอกอีกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดเมื่อไรเห็นทุก์เมื่อนั้นเห็นธรรม ปิดเครื่องหมายคำพูดสอนอย่างนี้นะฟังแล้วก็ธรรมดาธรรมดาใช่ไหมโหลองภาวนาเห็นจิตเห็นใจเป็นทุกข์สินะมันน่าอัศจรรย์มันพ้นทุกข์ได้จริงๆมันเห็นธรรมที่พ้นจากทุกข์เมื่อใดเห็นธรรมที่พ้นจากทุกข์นะมันเหมือนโลกกระท่าสะเทือนเลยใจเรานี้สะเทือนมันสะเทือนออกมาจากใจนี่เองโลกไม่ได้กระเทือนหรอกมันกระเทือนจากใจเรานี่เองความสุขอะไรมันจะท่วมท้นขึ้นมาได้ขนาดนั้น มีความสุขมหาศาลจนเหมือนาธาตุขันของมนุษย์จะทนอยู่ไม่ได้เหมือนจะแตกสลายเลยฉะนั้นต้องภาวนานะถอยไม่ได้ถอยแล้วโง่ไม่ใช่โง่เฉยๆนะไม่ใช่โง่ห้าร้อยชาติด้วยนะโง่านานถอยทีหนึ่งถอยนานมีโอกาสแล้วต้องทําทิ้งโอกาสผ่านไปแล้วก็คือหมดโอกาสหลวงพ่อเขียนธรรมะไว้อีกอันหนึ่งนานแล้วนะว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดหนทางยังมีอยู่ผู้เดินทางก็ยังไม่ขาดสาย ให้ลงมือเดินทางเสียตั้งแต่วันนี้ก่อนที่เส้นทางนี้หรือร่องรอยหรือรอยเท้าของท่านเหล่านี้จะหายไปปิดเครื่องหมายคำพูดพอถึงวันที่เส้นทางนี้หายไปนะพวกเราจะระหกระเหินอีกนานเลยนานนะไม่ได้พูดเล่นๆนะพูดมาจากความเข้าใจจริงๆเลย